6.4 อย่าประมาทเพราะชีวิตเราเหมือนไต่ลวดอยู่บนขอบเหววงเล็บเปิด16พฤศจิกายน2549วงเล็บปิดถ้าอ่อนแอท้อแท้ถดถอยเมื่อไหร่นะถอยไกลนะถอยไกลไม่ใช่ถอยทีหนึ่ง9กมันถอยกันเป็นชาติชาตินะถ้าในคำพีเขาจะชอบว่าถอยครั้งละห้าร้อยชาติบางทีถอยนานมากเลยอย่างพระอานนท์สมัยก่อนจะเป็นพระอานนท์ ไปทำบุญมาแล้วขอให้มีรูปงามขอให้หล่ออีกชาติหนึ่งเกิดมาหล่อเฟี้ยวเลยคราวนี้ก็ไปทำผิดศีลประพฤติผิดในการมท่านบอกท่านตายจากชาตินั้นท่านเวียนอยู่ในนรกเนิ่นนานนี่มีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแล้วท่านไปเวียนอยู่ในนรกนานพ้นจากนรกขึ้นมานะท่านมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นวัวบุญที่ทำความดีไว้นะแล้วก็อธิษฐานไว้ ส่งผลให้เป็นวัวรูปหลอ่อเป็นวัวสุดหล่อนะถ้าเข้าประกวดทีไรต้องชนะสมัยโบราณเขาคงไม่ประกวดกันทีนี้เวลาเจ้าของเทียมเกวียนไปไหนมาไหนวัวสาวๆชอบมาวิ่งตามเจ้าของรําคาญนะเลยจับตอนไปอีกนี่ท่านบอกว่าท่านถูกตอนอยู่ห้าร้อยชาติห้าร้อยชาติหมายถึงถูกตอนแล้วตอนอีกอย่างนั้นซ้ําแล้วซ้ําอีกเสร็จแล้วมาเกิดเป็นคนนะเป็นคนที่ไม่สมประกอบละ่ะผิดปกติทางเพศท่านบอกเป็นอยู่อย่างนี้อีกนาน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 เพิ่มจะได้สร้างอีกแล้วได้ถวายวัดกับพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วเศรษฐีนั้นก็ได้ผลดีไปนะแต่นั่นเป็นเปรตอยู่ช้านานตลอดพุทธันดรหนึ่งช่วงที่เว้นว่างจากพระพุทธเจ้านะตกนรกอยู่นานนะแล้วก็ขึ้นมาเป็นเปรตอีกเป็นพุทธันดรความผิดชั่ววูบให้ผลยาวนะเราอย่าประมาทเราเดินอยู่บนขอบเหวแท้ๆเลยเหมือนเราไ่ลวดอยู่บนขอบเหวนะไม่ใช่เดินอยู่บนพื้นเรียบๆ เ, เหมือนไต่เชือกไต่อะไรอยู่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 มาถวายวัดอีกกลับมาอยู่วัดเก่าที่เคยเป็นพระนะประมาทไม่ได้เลยนะสังสารวัตเนี่ยพลาดแวบเดียวเนี่ยไปยาวมากเลยเหมือนเราไต่ภูเขาเราพลัดตกเหวลงมานะไม่ใช่ง่ายที่จะขึ้นไปทุลักทุเลนะต้องเข้มแข็งสู้กับกิเลสถอยไม่ได้แต่สู้ต้องมีสติปัญญาเหมือนเราไต่เขาต้องมีสติปัญญาไม่ใช่ไต่โง่โงขึ้นไปนะตอนนี้เหนื่อยแล้วหยุดพักหาชะงอนหินพักผ่อนมีเรียวมีแรงค่อยไต่ใหม่ เราภาวนาไปแล้วช่วงนี้เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ให้ทำสมาะิทำความสงบสงบแล้วจิตใจมีเรียวมีแรงแล้วมาเจริญปัญญารู้กายรู้ใจอีกกระดึบกระดึบกระดึบไปเรื่อยไม่ท้อถอยนะจะยากลำบากแค่ไหนก็ถอยไม่ได้นะเป็นโอกาสดีมากๆของพวกเราแล้วที่ได้เจอศาสนาพุทธ